พวกเราเอาของมาให้หลวงพ่อเยอะนะจีวร อ, อะไรเงี้ยอนุโมทนาด้วยหลวงพ่อก็ส่งไปทางอีสานคนทางอีสานจนๆเนยเยอะมากเลยส่งไปที่สุรินนะคนย่านนั้นจนมากแ้่เวลาเขาอยากบวชเนี่ยมาที่วัดจะมาบวช อุปชาหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดสุรินท่านก็มีหน้าที่บวชท่านต้องจ่ายหมดเลยมาแต่ตัวนะแบบนี้ท่านบอกมีเยอะมากเลยได้จีวรที่ทางกรุงเทพนี่เลยทางเราเนี่ยส่งไปให้ได้บวชบวกตอนนี้ใช้พระธรรมยุทธสุรินเนี่ยใช้จีวรสวนสันติธรรมทั้งนั้นเลย ใช้กันทั้งจังหวัดเลยมันะ้งเป็นบุญพวกเรานะได้บุญหลายต่อคือเราทอเก็บไว้เฉยๆเดี๋ยวก็ผุพังไปตัวอะไรก็กินนะไม่เกิดประโยชน์่าไรข้าวของเครื่องใช้เลยส่งไปเยอะมากเลยคนทางโน้นจนนะแต่ว่าร่ำรวยด้วยอริยศัพ์อริยศัพ์มีสีนี้ เขามีทานมีศีลเขามีภาวนาเขามีการศึกษาธรรม ะ, ะสุตตะสิ่งเหล่านี้เป็นของดีของวิเศษพวกเราอาจจะรวยฐานะความเป็นอยู่ดีกว่าเขาแต่อริยทรัพย์เนี่ยไม่แน่ไม่แน่คนจนก็พร้อมจะมีอริยทรัพย์มากกว่าคนรวยได้ ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เลือกที่ต่ําที่สูงแบบรวยฐานะดีอะไรไม่จําเป็นธรรมะขัดเกลาตัวเองผู้มีปัญญาขัดเกลาตัวเองผู้มีปัญญาคอยคุ้มครองรักษาจิตเรื่องรักษาได้ยากจิตที่ฝึกดีแล้วอบรมดีแล้วคุ้มครองรักษาดีแล้วนําความสุขมาให้นะในธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะ ลงมาที่จิตสาคัญที่จิตนี่แหละเมื่อกี้หนุ่มที่เอาจีวรมาถวายนะถามว่าจิตฟุ้งซ่านจะทำยังไงดีนะจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารู้ด้วยใจใช่ไหมใจเราเป็นคนรู้ฟุ้งซ่านหลวงพ่อสอนเมื่อเช้าเมื่อจิตมันไปรู้อะไรแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมารู้ทันที่ปฏิกิริยานั้น อย่างพอจิตฟุ้งซ่านแล้วใจเราไม่ชอบนี่เกิดปฏิกิริยาคือความไม่ชอบรู้ทันที่ไม่ชอบนี่ไม่ต้องไปจัดการที่ฟุ้งซ่านนะรู้ทันปฏิกิริยาของจิตที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆถ้ารู้ทันเนี่ยจิตจะไม่ปรุงต่อถ้ารู้ไม่ทันจิตจะปรุงต่ออย่างพอเราไม่รู้ทันว่าฟุ้งซ่านจิตจะดิ้นรนนะทำยังไงจะหายยิ่งดิ้นยิ่งฟุ้ ง, งสิ ฟุ้งเพราะมันดิ้นอะไรแต่ถ้ารู้ทันว่าใจไม่ชอบใจไม่เป็นกลางนะรู้ลงไปตรงนี้ความไม่ชอบความไม่เป็นกลางมันดับไปจิตเป็นกลางาจิตเป็นกลางนั้นก็ไปย้อนไปดูความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แปลดปลอมเข้ามาสู่จิตเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่สาระแกนสารอะไรเนี่ย ถ้าฝึกจนกระทั่ทงจิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานะก็จะเห็นเลยทุกสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรานะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนีาวนาก็ต้องให้เห็นอย่างนี้นะถึงจะได้หลักเมื่อวานนี้มีพระมาะหลายองค์คุยกันบางองค์ท่านก็บวชนานาแต่ก่อนได้ยินครูบาอาจารย์พูดให้มีสตินะมีสติจนกระทั่งได้จิตผู้รู้ขึ้นมาเลยแล้วถ้า พูดคำว่าจิตผู้ร right ู้นี่แสดงว่ารุ่นเก่าจริงหลังๆเราลืมเคาว่าผู้รู้แลนะเรามีแต่ผู้คิดจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งแล้วก็พยายามทําให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะคิดจะทําอีกแทนที่จะรู้อย่างที่มันเป็นรู้ด้วยความเป็นกลางจิตมันคิดรู้ว่ามันคิดจิตมันนึกมันปรุงมันแต่งรู้ว่ามันนึกมันปรุงมันแต่งรู้ไปด้วยใจที่เป็นกลางนะตรงที่เป็นกลางนั่นแหละมันไม่ทุกข์หรอก ถ้าไม่เป็นกลางมันจะดิ้นต่อจะปรุงต่อเช่นความโกรธเกิดขึ้นพอรู้ว่าโกรธนะไม่เป็นกลางกับความโกรธอยากให้หายโกรธจิตก็จะดิ้นรนหาทางทำให้หายโกรธนี่จิตแทนที่จะหยุดนะจิตกับทำงานหยุดมันเลยมีสองหยุดนะหยุดด้วยสมถะประคองจิตให้นิ่งประคองไว้นะหยุดที่หลวงพ่อสอนมีอีกหยุดหนึ่งหยุดด้วยปัญญา หยุดตัวนี้หยุดยิ่งใหญ่มากเลยให้เรารู้ทันจิตที่ปรุงแต่งนั้นแหละถ้าเรารู้ทันนะเราไม่ไปปรุงแต่งมันนะรู้ทันว่าจิตมันปรุงแต่งเราอย่าไปปรุงแต่งมันซะเองเนี่ยแค่จิตมันโลภขึ้นมารู้ว่ามันโลภไม่ต้องไปทําว่ายังไงหายโลภจิตมันโกรธรู้ว่ามันโกรธไม่ต้องผิกคิดว่าทำยังไงจะหายโกรธรู้ไปด้วยความเป็นกลางจริงๆนะถ้าไม่เป็นกลางโกรธขึ้นมาก็อยากหายอยากหายก็ยิ่งดิ้นรนยิ่งดิ้นรนยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งไม่หยุดหรอก โลภขึ้นมานะเห็นว่าโลภอยากให้หายดิ้นรนมีความสุขขึ้นมาอยากให้อยู่นานๆแล้วนนดิ้นรนรักษาจิตจะดิ้นรนจิตจะทำงานยิ่งจิตทํางานจิตปรุงแต่งต่อไปไม่มีทางพ้นทุกข์หรอกจิตปรุงไปเรื่อยให้รู้มันด้วยความเป็นกลางนะที่แรกมันไม่เป็นกลางห้ามมันไม่ได้หรอกนะสั่งว่าจงเป็นกลางกับทุกๆสภาวะสั่งได้ที่ไหนจิตเป็นอนัตตาถ้าสั่งได้พระอรหันต์คงเต็มโลกแล้วสั่ง อย่าไปสั่งนะจิตเป็นกลางสั่งเลยจิตจงบรรลพระอราหันต์ในการะบาดนี้เทินทะเลงเต่งตุงต้มนะ <c oughs> ให้บรรลุสิไม่บรรลุหรอกมันสั่งไม่ได้อะไม่บรรลุแต่ว่าถ้ารู้ทันมันรู้ทันความปรุงแต่งได้ไปนะาไม่หลงไปปรุงแต่งซะเองอย่าไปหลงปรุงแต่งให้รู้ทันความปรุงแต่งจิตจะเลิกปรุงแต่งไปนะเลิกไปแล้วก็จะรู้ตามความเป็นจริง เช่นความโกรธเกิดขึ้นไม่ต้องไปหาทางให้หายโกรธอยากให้หายรู้ว่าอยากความอยากก็ดับไปจิตก็ไปเห็นความโกรธ ด, ด้วยความเป็นกลางไม่ได้อยากให้หายนะไม่ได้ยินดีไม่ได้ยินร้ายความโกรธก็จะสอนธรรมะความโกรธไม่ใช่จิตนะเธอความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมนะแปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับ บ, บังคับไม่ไดนะ้ความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามา มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้กุศลอกุศลก็เหมือนกันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่จิตสู่การรับรู้ของจิตเป็นคลาๆเท่านั้นเองพอจิตมันเกิดปัญญานะเห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวคราวนี้พอความสุขเกิดนะจิตไม่ดิ้นรนนะจิตเป็นกลางนีจิตหยุดนะหยุดอยู่ด้วยความเป็นกลางหยุดด้วยปัญญาเพราะเห็นความจริงแล้ความสุขมันก็ชั่วคราว แต่ก่อนจะเห็นว่าความสุขเป็นของชั่วคราวเนี่ยนะต้องดูแล้วดูอีกนะเห็นความสุขที่แรมอยากได้ไม่เป็นกลางหรอกจนปัญญาเกิดนะั่นถึงรู้ว่าของชั่วคราวนะ้ไม่เห็นจะต้องยินดีเลยจิตเป็นกลางความทุกข์เกิดนะแรกๆก็ต้องเกลียดมันก่อนดูไปเรื่อยดูทุกวี่ทุกวันนะดูแรมเดือนแรมปีนะเปลี่ยนชื่อได้เลยนะ่าักกรรมฐานนะเปลี่ยนชื่อเป็นแรมเดือนนะวันไหนก็แรมปีอย่าให้แรมชาติก็แล้วกัน เดี๋ยไปค้างแลมอยู่กลางทางเสียเวลาดูกันแลมเดือนแลมปีนั้นดูไปจนจิตมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวเนี่ยจิตมันยอมจิตมันยอมจิตไม่เกิดปฏิกิริยาแล้วไม่ดิ้นรนเห็นไหมปฏิกิริยานี่เกิดเพราะปัญญานะเห็นความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวจิตก็หยุดไม่มีปฏิกิริยาเนี่ยหยุดด้วยปัญญาละจิตเป็นกลางต่อทุกๆสภาวะ การที่จิตเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยจิตมันมีปัญญาชื่อสังขารู้เบกขายานสังขารู้เบกขายา น, นี่เป็นปัญญาขั้นสุดท้ายและขั้นสุดขีดเลยของปุถุชนถัดจากนั้นขึ้นไปจะเกิดกระบวนการแห่งอริยมรรคไม่ใช่ปัญญาในขั้นปุถุชนแล้วจะเป็นปัญญาคาับลูกคบดอกอยู่ช่วงหนึ่งนะแล้วถัดจากนั้นจะเป็นโลกุตตะปัญญาเห็นแจ้งอริยสัจ เป็นลาดับลำดับไปก่อนที่จะไปเกิดโลกุตตะเกิดมากเกิดผลได้นะจิตต้องเป็นกลางด้วยปัญญาเสียก่อนไม่ใช่กลางด้วยการเพ่งเอาไวนะ้กลางด้วยสมถะไม่เกิดโลกุตะตะกลางด้วยสมถะก็จะสงบชะนิ่งได้ฌานเกิดฌานนะไม่ใช่เกิดมากผลคนละอันกันนะฉะนั้นหยุดจิตนี่ต้องหยุดหยุดแบบสมถะก็ได้ฌาน หยุดแบบนี้ปั ส, สนานะ ไ, ได้มรรคผลนะคนรเลอันมีสองหยุดอย่าหยุดปฏิบัตินะมีหยุดที่สามนี่เหลวไรลเลยนะหยุดปฏิบัติแนละ้วล้มล้มละลายไม่เหลือดีแล้วนะในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะทุกแสนสาหัสเลยยังหนุ่มยังสาวยังเด็กไม่รู้หรอกถ้าอยู่มานานๆอย่างหลวงพ่อจะเห็นในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะ สัตว์โลกนะแก่งแย่งชิงดีเบียดเบียนทำร้ายล้างผลาญกันตลอดเวลาเลยไม่มีใครทำร้ายมนุษย์เท่ากับมนุษย์ด้วยกันนั่นแหละทำลายกันนะแก่งแย่งชิงดีเบียดเบียนซึ่งกันและกันรุนแรงมากรุนแรงกว่าสัตว์นะมนุษย์เบียดเบียนกันรุนแรงมากกว่าสัตว์ที่เบียดเบียนกันสัตว์เนี่ยไม่เคยทะเลาะ ก, กันเลยว่าเธอเป็นเกิดเป็นเชื้อสายยิวต้องฆ่าเธอให้หมดนีสัตว์ไม่เคยทำแต่มนุษย์ทำนะ เกิดต่างเผ่าพันธุ์จะต้องฆ่ากันให้หมดลัฐที่การเมืองต่างกันต้องฆ่ากันนะาศาสนาต่างกันต้องฆ่ากันาศาสนาเดียวกันแต่สอนคนละแบบก็จะฆ่ากันมันเอาทุกอย่างนะนั่นเบียดเบียนจริงๆเลยนะงั้นเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความเบียดเบียนล้างผลาญเต็มไปด้วยความทุกข์นะเราต้องอยู่กับมันด้วยความฉลาดนะต้องรู้ว่าศัตรูที่แท้จริงของเราคือกิเลสในใจเรานี่ทำให้เราไม่มีความสุข คนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้ในกิเลสในใจเรานี่ทำให้เราเป็นทุกข์งั้นเราเรียนรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจนะนจิตที่ฝึกดีแล้วจิตที่อบรมดีแล้วนําความสุขมาให้จะมีความสุขสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์นี่แหละสุขอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายนี่แหละสงบในท่ามกลางความวุ่นวายร่มเย็นในท่ามกลางความเลวร้อนนี่แหละเป็นไปได้นี่แหละความอัศจ ร, รรย์ของธรรมะนะใครไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติไม่รู้หรอกว่าอัศจ ร, รรย์ขนาดไหน ถ้าใครได้ลองฝึกได้ลองปฏิบัตินะน จ, จ, นจะอัศจรรย์รับจะักพระพุทธเจ้าเราจะกราบพระพุทธเจ้านะกราบด้วยใจไม่ใช่กราบด้วยมารยาทบางคนกราบส ว, สวยนะกราบสวยงามมากเลยขณะกราบกฉันกราบสวยใครจะดูฉันอยู่เปล่าวะอะไเงี้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กินหนอกเงี้ยกิเลสเอาไ้กินหมดนะเราอาจจะกราบไม่สวยไม่งามนะแต่ใจเรานี่โอ้จะอ่อนกับพระพุทธเจ้านะ เวลากราบพระพุทธเจ้าที่จะมีความสุขจะมีความรู้สึกเหมือนท่านยืนอยู่ต่อหน้าเราเราก็ต้องกราบลงแทบเท้าท่านเลยความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นเลยจะรักท่านนะซาบซึ้งในพระคุณของท่านยิ่งใหญ่เหลือเกินท่านสอนธรรมะที่เรียบง่ายสอนของซึ่งมีอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่ไม่มีใครมองเห็ น, นธรรมะ ม, มีอยู่ต่อหน้าต่อตานะแต่มองไม่เห็นเองช่วยไม่ได้นคนที่จะมองเห็นได้มีไม่มากมีไม่มากหรอก พวกเราที่สนใจการภาวนาเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยนะคนส่วนน้อยเราอย่านึกว่าศาสนาของเรามั่นคงนะไม่มั่นคงมีนิดเดียวคนที่สนใจศึกษาแกนแท้ของธรรมะเอาธรรมะมาใช้ในการดำารงชีวิตได้จริงๆมีไม่มากหรอกน ะ, ะต่อไปตรวจจันบ้านราชการกหล่มพ่อ อยากส่งสภาวะปัจจุบันแต่ตื่นเต้นทุกทีเลยค่ะเลยตื่นเต้นนี่แหละสภาวะปัจจุบันแต่ว่าอยากมีคําถามอย่างเดินจงกรมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดินเป็นจังหวะตามสบายอย่างเมื่อวานเนี้ยค่ะเดินด้วยจังหวะตามสบายเป็นยังไงเดินมีจังหวะอ๋อเดินตามจังเหมือนแบบเราไม่เป็นคนเดินเร็วอย่างเงี้ยค่ะก็จะเดินตามปกติที่เราเดินอย่างงี้ยค่ะแต่ว่าพอเดินไปสักพักมันเริ่มซึมก็ พยายามเดินเร็วขึ้นเพื่อให้เราตัวเองให้มันมตื่นขึ้นนะคะ่ะแต่พอเราไปปุ๊บมันจะรู้สึกเหมือนเพ่ง ม, มันจะหนักไปอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจเรื้องต้นนะตึงไว้ก่อนคดีกว่าหยอ่อนหัดใหม่ๆอ่ะตึงไว้นิดนึงะถ้าจะเอาให้พอดีนะจะหลงไปเลยเป็นอย่างนั้นทุกคนนะแล้วบางทีเดินในทางหนึ่งนะคะครั้งหนึ่งแล้วก่อนกลับตัวมันจะต้องมีหลงแวบบ๊แบๆบแบบที่เราเห็นนี่คือมันดับ นั่นแหละนั่นแหละดับละเรื่องนั้นละดียิ่งเกิดบ่อยยิ่งดีมีแต่เกิดระดับดับๆรู้สึกไหมไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรรู้สึกว่านัแหละมันหายไปหายมันขาดไปใช่ไหมใช่ตัวนี้เรียกว่าสันตติสันตติคือความสืบเนื่องสันตติขาดถ้าภาวนาจนถึงจุดที่สันตติขาดนะขึ้นอุททยพิยญาณขึ้นวิปัสนาญาณตัวที่หนึ่งละใจเย็นๆมีแค่เก้าตัวเท่านั้น <c oughs> แต่มันเป็นกลุ่มๆนะเป็นกลุ่มๆอย่างมูลจิตุกรรมวยาตานิพิถาอาทีนวายานในเะนี้ยไอพยาตูปัฏานญาณอาทีนวายานนิพถายานดูเป็นสามยานนะเป็นกลุ่มเดียวกันเวลาพอนางทีผ่านเป็นกลุ่มๆไปคนนี้ไปติดมุมนี้คนนี้ไปติดมุมนี้นั่นมันมีก้าก็จริงมัน9้าโดยตาํารา ลงมือปฏิบัติจริงมันไม่ถึงหรอกนะมันเป็นกลุ่มๆภาวนาแล้วจะดีสบายไม่เห็นอะไรดีเท่าภาวนาทนะี่กล้าพูดเพราะหลวงพ่ออยู่ทางโลกมานานนะอยู่ทางโลกมานานความสุขในโลกที่ใครเขามีเราก็มีเท่านั้นแหละนะมีบ้านอยู่อยู่ก็ห้องแอร์ด้วยนะออกจากบ้านมาก็ขึ้นรถแอร์ทำงานก็อยู่ห้องแอร์แอร์ทั้งวันเลยนะ ใครเขามีความสุขอะไรเราก็มีทั้งนั้นปรากฏว่าเราก็เห็นมันไม่มีสาระไม่นานก็แก่แลไม่นานก็ตายนั้นความสุขในโลกโลกมีความสุขอย่างโลกโลกมีแต่ไม่มีสาระรธรรมะนะมีสาระแก่นสารฝึกไปเรื่อยๆนะจนแก่นะยิ่งเก่งหลวงพ่อไปเห็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยจะเรียนจากครูบาอาจารย์รุ่นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เยอะเลยเขาไปหาท่านนะ แต่ละองค์นะแ9ดสิบเนี้ยอย่งหนุ่มๆเนี่ยหลวงพ่อพุทธหนุ่มที่สุดนะตอนไปหาท่านนะอายุเท่าๆหลวงพ่อตอนเนี้ยท่านท่านสอนมาตั้งแต่หนุ่มนอกนั้นจะเริ่มตอนแก่เราจะเห็นในครูบาอาจารย์ที่แก่ๆเนี่ยนะดูมีความสุขมากเลยของเราไปเห็นคนแก่ส่วนใหญ่เป็นไงแย่ใช่ไหมหงุดหงิดใช่ไหมสังเกตไหมคนแก่ชอบหงุดหงิดจริงไหมไม่จริงคนแก่ไม่ได้ชอบหงุดหงิดจิตมันหงุดหงิดเอง ใครวิชชอบงุ่นหงิดนะถ้าไม่ได้ฝึกนะถ้าเราไม่ได้ฝึกพวกเราเนี้ยแหละอย่าไปโทษคนแก่เลยคนหนุ่มคนสาวเนี่ยถ้าไม่ฝึกจิตไว้นะพอแก่ก็ร้ายเพราะมันไหลลงที่ต่ําไปเยอะแล้วแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยนะยิ่งแก่ยิ่งสวยงามงดงามมากเลยเวลาท่านพูดถึงการปฏิบัติพูดถึงสิ่งที่ท่านต่อสู้มาน้ำพระองค์ปีตินะน้ําตาไหลเลย คนไม่เข้าใจว่าทําไมพระร้องไห้ท่านไม่ได้ร้องไห้อย่างเราร้องนะท่านเกิดธรรมปฏิติอย่างบางองค์ว่าครูบาอาจารย์ทำไมน้ําตาไหลอาจามหาบุตรเขาเคยน้ําตาไหลใช่ไหมองค์ ท, ที่หลวงพ่อเคยเห็นนะั่นคือหลวงปู่เหลียนไปกราบท่านนะท่านก็เห็นหลวงพ่อท่านก็พูด ว, ว่าสู้ตายเลยนะเราต้องสู้ตายคาผ้าเหลืองเนี่ยเราเนี่ยสู้มาตั้งแต่เล็กเลยนะ่ ท่านพูดนะน้ําตาซึมเลยเราดูโอเนี่ ย, น, ยนักรบผู้เท่านะนักรบที่ผ่านสงครามมาแล้วก็เป็นผู้ชนะมาไม่ใช่ผู้แพ้แตกกองทัพมานะเ <c oughs> วลาท่านคิดถึงการทําสงครามของท่านนะท่านคิดด้วยความห้าวหาญนะแล้วก็มองนักรบรุ่นหลังนะว่า ม, มึงต้องสู้นะมึงต้องสู้อย่างกูที่สู้มาแล้วนะเนี่ยใจจะเป็นอย่างนั้นเลยพวกเราสู้เอานะอย่าขี้เกียจขี้คลานนะ ไม่สู้ก็ไม่ได้ไม่รู้จะทำไงเอา้าใครจะคุยกับหลวงพ่อใครเห็นว่าจำเป็นร9อยเก้าสิบสองเชิญนำมัน ก, การคะ่ะหลวงพ่อคือว่าหนูห น, หนูทาในรูป<น>แบบหนูนี่หรแบบือเปล่าที่ชอบทะเลาะ ก, กับแม่ใช่ค่ะแล้วเลิอกหรือยังทะเลาะนิดๆค่ะดลดไ ป, ไปเยอะดีๆตรกนรกตื้นขึ้นอ่ะ หนูทำในรูปแบบแล้วหนูรู้สึกมันไม่มีแรงอะค่ะเฮ้ยนี่แต่ก็ทําในรูปแบบแล้วมีแรงอืระหว่างทําอะคะ่ะมันก็ระหว่างเดินอย่าเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันเหมือนรู้แบบรู้แบบไม่รู้อะคะ่ะเดินด้วยความเบื่อหน่ายมากก็ไม่ได้เบื่อหน่ายเกียจ เ, นะเดินมากบา ง, งทีก็เหนื่อยแต่ก็ต้องรู้สึกว่าต้องเดินอย่างานนมีความสุข <laughs> มันเคยมีความสุขโชยๆขึ้นมาแต่ว่าหลังๆมันรู้สึกว่ามันมันไม่มันรู้แบบไม่รู้อะค่ะ แล้วรู้สึกว่ามันไหลออกแต่ทางตาเอ อ, เ อ, อนั่นแหละให้รู้ทันตรงที่ไหลนั่นแหละเดินจงกลมไม่ต้องไปดูอะไรหรอกเดินจงกลมดูจิตจิตไหลไปก็รู้จิตไหลไปก็รู้เดินอย่างนั้นแหละไม่ใช่เดินเอาดีอะไรหรอกแต่มันเหมือนันไม่ค่อยรู้ตัวนะคะฮะมันเหมือนมันไม่ค่อยรู้ตัวไม่รู้ตัวสติอ่อนไปนะเพิ่มคาบริกรรมเพิ่มอะไรเข้าไปอีกก็ได้นะให้ใหเพิ่มบริกรรมระหว่างวันอย่างนี้หรอคะ เพิ่มไปเลยท่องพุโทโธพุโทโธในใจเรานะแล้วจิตไหลเรารู้ไหลเรารู้ทุกๆุกอิริยาบถเลยยืนอยู่นะก็พุโทโธพุทโธไปเดินอยู่ก็พุโทโธพุทโธจิตไหลเรารู้ไปเรื่อยๆนะทุกวันนี้ใช้กระดิกนิ้ววะ่ะค่ะหลวงพ่อหรือว่ากระดิกนิ้วระวังมันซ้ำซาซ้ำซากแล้วมันกระดิกไปใจมันหนีไปเที่ยวได้นะเมื่อก่อนมีนาฬิกาอะไรปลุกสองนาทีปลุกนะทีแรกก็ปลุกทิงตื่นที่ตึกที่ต่อไปมึงร้งองไปไม่ได้ยินและเออมันชินนะ ไม่ได้กินหรอกถ้าถ้าเปลี่ยนมาดูลมหายใจได้ไหมคะเพราะพูดโทรมันอึดอัดอะค่ะแล้วพูดโทรมานอะาหายใจก็ได้คือเหยียบไปอยู่ในอารมณ์ซ้ํากเรามันคนขี้โมโหคนขี้โมโหไปอยู่ในอารมณ์ซ้ํซากน่ารําคาญไม่สงบหรอกหาอารมณ์ที่มันสบายมีความสุขอะไปอยู่กับมันแต่ไม่ใช่ร้องราทําเพลงเต้นระบำําล้วมีความสุขไม่ได้นะงานฟุ้งซ่านมากขอบคุณค่ะอ้าวแม่ชี มันงงๆเจ้าค่ะดูกายดูจิตไม่ค่อยถูกรู้จักว่างงไหมจักเอองงรู้ว่างงนั่นแหละดูจิตละ่ะอยากหายงงไหมอยากรู้ว่าอยากนั่นแหละดูจิตละ่ะนะง่ายขนาดนั้นนะ่ะเรานึกว่าจะไปดูอะไรละ่ะคิดว่าจะเป็นดูเจออะไรเป็นดวงดวงละมั้ง <c oughs> รู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจของตัวเองเรื่อยๆนะเท่นานั้นแหละ จิตนี้ไปคิดไหมหนีไปจ้ะค่ะเออเนี่ยเนี่ยคือดูจิตรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดดูจิตไม่ใช่ห้ามหนีไปคิดนะดูจิตนก็คือจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นเพรั้นมันหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดนั่นแหละดูจิตละหนีไปอีกหรือยังมันงงอยู่ค่ะงงอะสิมนหนีไปคิดอะสิสังเกตไหมมันงงตอนไหนตอนคิดนึกออกไหมไม่คิดไม่งงหรอกอยากคิดมากคิดมากยากนาน งงรู้ว่างงเลยแค่นั้นแหละพอแล้วรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปรู้จักความรู้สึกไหมจักหรือโกรธเป็นไหมเป็นจ้ะขวาโกรธบ่อยไหมไม่บ่อยจ้ะขวาเคยโกรธแม่ชีไหมก็เคยมันก็เลยโอ้นี่ซื่อสัตย์ชมัดเลยนะแค่ความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่ากําลังโกรธนะอยากจะหายโกรธรู้ว่าอยากแค่แค่นี้แหละฝึกอย่างเนี้นะมันโลภขึ้นมารู้ว่าโลภอยากหายโลภรู้ว่าอยาก ลบขึ้นมาแล้วยิ่งอยากมากกว่าเก่าอีกรู้ว่าอยากมากกว่าเก่าอีกออนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมยิ่งอยากขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ทันคนระับร้อยเก้าสิบแปดวมศักดิ์ครับเวลาสติเกิดนะครับมันไม่รู้สึกถึงความเบาไม่รู้สึกถึงความหนักครับมันรู้สึกเฉยๆครับ ห, หลวงพ่อเคยพูดว่าถ้าสติที่มันถูกต้องมันจะมีระหูตามีความเบา แต่ผมไม่รู้สึกตรงนั้นนะครับเลยอยากเร็วตรงนี้ล่ะตอนนี้มีสติไหมตอนนี้ได้ยินเสียงหัวใจเต้นมีสติไหมล่ะคิดว่ามีนะครับตรงนี้ล่ะเราเพ่งไว้หรือเปล่าดูให้ดีนะเอาไปสังเกตดูให้ดีถ้าเราเพ่งอยู่น้ํานจะนิ่งๆทื่อๆหนักๆแข็งๆนิดนึงจงใจจะรู้ะก็ก็จะกลายเป็นเพ่งจงใจจะดูนะจะกลายเป็นเพ่งรู้สบาย นึกถึงจิตใจสมัยที่ยังภาวนาไม่เป็นนึกออกไหมต อ, อ ต, ตอนเด็กๆจิตตอนเด็กๆนะมันร่าเริงมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงนะเราต่างกระเด็งนิดเดียวเปาปล่อยให้จิตเคลื่อนไหวเหมือนที่มันเป็นเด็กอะ่ะแต่เรามีสติตามรู้มันนะเด็กไม่มีสติตามรู้จิตนี้ไปคิดบ้างไหมมีครับนะนีไปคิดก็รู้นะ อ, ยอย่าจะประคองจิตไว้นะถ้ประคองมันจะนิ่งนิ่งนิ่งไป อย่ากรุ่มใจอย่าท้อใจ <laughs> ท้อรู้ว่าท้อกลุ้มรู้ว <laughs> ่ากลุ้มเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปนะความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแหละแต่ถ้าเราไปเพ่งเจะไม่มีความรู้สึกอะไรมันจะนิ่งๆไปแต่พอเราปล่อยปเป็นธรรมชาติเมื่อกี้ไม่ได้จงใจปฏิบัตินึกออกไหมความรู้สึกก็ผุดขึ้นมาที่มันท้อใจขึ้นมามันกลุ่มใจขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็ผุดขึ้นมาเราก็แค่รู้เอาเท่านั้นแหละรู้สึกไหมมันมีความสุขขึ้นมามีไหม มีครับเออนั่นแหละปล่อยจิตอย่างนี้แหละที่แหละธรรมชาติละ่ะรู้สึกไหมมันสว่างขึ้นบ้างไหมครับมันสบายขึ้นเอานะต้องใช้จิตที่สบายๆเริ่มไม่สบายหรือยังเริ่มแล้วครับนะั่นรู้ให้ทันนะตรงที่ไม่สบายนะั้นเราปลุงขึ้นมาเองเพราะเราอยากดีนะครับแล้วพุดโธไปเรื่อยๆได้ใช่ไมได้ได้พุดโธดีนะแต่ไม่ใช่พุดโธ บ, บังคับจิตนะ โทรแล้วก็ปล่อยให้จิตทํางานเอออย่างนี้ น, น, นี่ขนาดนี้แหล ะ, บะสบายๆหน้าตามันยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขนะอย่างเนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ได้นะเนี่จิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวก็กลายเป็นจิตผู้คิดจิตคิดเป็นนิดเดียวก็กลายเป็นจิตผู้เพง่งรู้สึกไหมจะหมุนหมุนนะรู้เอาร้อยสี่ส <14 1. S 1> ิบหนึ่นมัสการค่ะหลวงพ่อตอนนี้ไม่เห็นหน้าเนาะ ยืดๆหน่อยขอเห็นหน่อยเห็นแล้วมันตรวยกันบ้านง่ายตอนนี้หนักมากอยู่ที่กลางออกแล้วก็ขอมอยู่ค่ะก็ขมนะสิถึงหนัก <laughs> ไม่ขมไม่หนักหรอกหลายเดือนมานี้คือได้แต่รู้สึ ก, กค่ะแล้วก็คือรู้สึกคือความรู้สึกกับ ร่างกายรู้สึกเป็นคนละเลเยอร์กันอะคะ่ะบางทีมันก็ห่างบางทีมันก็ใกล้บางทีมันก็แนบเข้าไปแต่ว่ารู้สึกอย่างนี้มาหลายเดือนแล้วไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีปัญญาเกิดเลยอะคะ่ะหนูทำอะไรเห็นไม่แต่ละอันไม่เที่ยงยังไม่เห็นอะคะ่ะไม่เห็นไปดูอีกก็ดูอย่างนี้ไปถ้าหนูดูนําเรื่องเรื่องเกิดดับได้ไหมคะคิดนําไว้ก่อนก็ได้คิดนำไปนิดนึงนะคะิดนําได้ะคะ่ะแล้วก็มีอันนึงคะ่ะหนูสงสัยว่า มีอยู่ครั้งหนึง่งหนูเหมือนเห็นความเป็นกลางแวบผ่านไปก็เลยสงสัยว่าความเป็นกลางมันเห็นได้ด้วยหรอคะได้สิเห็นไม่ได้แล้วจะรู้ได้ไงว่ากลางวันบวันนั้นวันเดินอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนเดินผ่านความเป็นกลางมาแป๊บนึงอะ่ะแล้วตอนนั้นเห็ น, นตรงนั้นไม่ได้จงใจใช่ค่ะถ้าจงใจมันก็เดินด้วยความโลภไม่ใช่เป็นกลาง แล้วล้วมันก็มีปัญญาเกิดขึ้นมาว่าอ๋อถ้าไอสิ่งที่เราดูมาตลอดถ้ามันเป็นกลางปั๊บเนี่ยมันมันก็คือแบบว่ามันจะเกิดความรู้ตรงนั้นขึ้นใช่ไม่มีอะไรอสังเกตไหมกลางขึ้นมานะไม่มีอะไร อ, าาอตัวตนอะไรไม่มีหรอกแสดงว่าความคิดหลังจากนั้นก็คือเราปรุงไปเองเราปลูกขึ้นใหม่อ๋อค่ะหลวงพ่อข้ามอีกอันหนึ่งค่ะคือ ปัจจุบันนี้ที่ภาวนาอยู่เนี่ยก็คือจะไม่ได้ใช้วิหารธรรมอะไรเลยแต่ว่านึกขึ้นได้ก็จะใช้ความรู้สึกเอารู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วบางทีเนี่ยอย่างเราไปเจอใครที่แบบเขารู้สึกอะไรกับเราเราสัมผัสได้แต่ว่าหนูมีปัญหาว่าหนูคือสมมุติถ้าคนนี้รู้สึกไม่ดีกับเราเนี่ยเราจะตั้งป้อม <c oughs> ป้องกันตัวเองอะคะ่ะก็ดีแล้วล่ะดีกว่าถูกเขาโชคเอา แล้วหนูควรจะบริหารความรู้สึกต่อคนข้างๆอย่างไรอ่ะรู้ทันจิตของตัวเองไปค่ะจิตเกิดระวังขึ้นมารู้ว่าระวังจิตระแวงรู้ว่าระแวงะนะให้รู้ทันที่จิตของตัวเองปรากฏการทั้งหลายจะเป็นรู ป, ปรธรรมนามธรรมปรากฏการภายในปรากฏการภายนอกไม่สำคัญหรอกสำคัญอยู่ที่ว่ารู้ทันจิตซึ่งมันจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาค่ะอ่เอสามสิบ น่ทีมเสื้อสีชมพูนมามัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูเขาส่งการบ้านในรอบ4เดือนนะคะหนูเห็นความเปลี่ยนแปลงบ้างยังก็ก็เห็นมันหนีไปคิดบ่อยขึ้นแล้วก็เห็นกิเลสอะคะ่ะแล้วก็บ่อยแต่ว่าก็ยังมีไหลาตามมันไปอยู่บ้างอะคะ่ะไหลไปนานไหมบางครั้งก็ถ้าเกิดมันช่วงที่ร่างกายอ่อนเพลียบางทีมันก็จะไหลไปนานนะคะ ก็แต่ที่ผ่านมาหนูก็ยังทําในรูปแบบทุกวันนะคะแล้วก็ปีกวีเวกทุกเดือนอยู่อะค่ะ <yeah. S 2> แล้วก็ให้ทานสม่ําเสมอแล้วก็พยายามจะรักษาศีล ด, ด้วยอะค่ะรักษาศีนะ่ารักษาที่ใจแล้วรักษาง่ายแล้วก็แต่ในระหว่างวันที่ว่าใช้ชีวิตประจําวันอะคะ่ะทำงานทางโลกมันยังจะหลงยาวอยู่เจ้าค่ะหนูต้องคุยให้น้อยลงน ะ, น ะ, ะอยู่กับโลกนะค่อยๆมีสติไปจะพูดจะคุยะอะไรค่อยๆรู้สึกนะ แล้วก็หลอมรวมการปฏิบัติเข้ากับการใช้ชีวิตเลยอย่างจะกินข้าวอย่างเงี้ยจิตยินดีรู้ทันจิตยินร้ายรู้ทันนะจะอาบน้ําจะเปลี่ยนเสื้อผ้าจะทำอะไรนะคอยรู้ไปเรื่อยเก็บคะแนนไปเรื่อยๆแต่ว่าบางทีแบบหนูทํางานบางทีต้องใช้ความคิดต่อนเนื่องหลายๆช่วงอันนั้นยกเว้นนะอตอนทํางานก็ส่วนทํางานไม่ใช่เวลาปฏิบัติเขาไม่ได้จ้างเราไปปฏิบัติเขาจ้างเราทํางานนะ ก็คือช่วงทำงานก็จะดูได้เฉพาะอารมณ์ที่ว่าแรงๆที่มากระทบใช่ใช่ช่แล้วช่วงทำงานมันก็จะดูวิหารธรรมไม่ได้เลยหรอไม่ได้ช่วงทำงานเป็นเวลาที่ต้องอุทิศให้งานแต่ว่าพอทำงานไปแล้วขี้เกียจขี้เกียจไม่ใช่งานใช่ไมรู้ทันไว้ขี้เกียจ แล้วอยากขอคําแนะนําหลวงพ่อค่ะว่าหนูจะมีแนวทางนี่ไงหลวงพ่อบอกให้แล้วไง <c oughs> เห็นหนูงานเยอะ <c oughs> หลวงพ่อเลยบอกว่าใช้ชีวิตนี่แหละคอยมีสติเรื่อยเลยกินข้าวจะอาบน้ําจะขับถ่ายจะทําอะไรนะคอยรู้ทันกายรู้ทันใจไปเรื่อยปกติคนส่วนใหญ่เนี่ยพอทางานมากๆแล้วเหลือเวลานาทีสองนาทีอะไรเงี้ยจะทิ้งปเปล่าๆนะเราเก็บให้หมดเลยเรคอยรู้สึกตัวไป ที่ผ่านมาหนุ่มภาวนามาเจ้าคะ่ะมีพัฒนาการมีสิมีสิหลวงพ่อถึงถามว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เห็นบ้างแล้วอพอจะได้ต้นทางของการปฏิบัติหรือยังเจ้าค่ะต้นทางไม่ยากเะไหรอกหลุดออกจากโลกความคิดก็ได้ต้นทางแล้วใจหนีไปคิดรู้ไหมนั่นแหละทันทีที่ใจหนีไปคิดแล้วรู้นั่นแหละต้นทางของการปฏิบัติ สติตัวจริงเกิดบ้างหรือยังเจ้าก็เกิดเป็นขณะขณะ<ม>ตอนที่รู้ว่าหลงนั่นแหละสติตัวจริงก็เกิดขึ้นแล้วก็ก็คือภาวนาในลักษณะนี้ต่อไปได้เจ้าค่ ะ, คะแต่จิตนะไม่สงบนะเจ้คะ่ะจิตมันฟุ้งไป<ม>งั้นหาเครื่องอยู่สักอันอยู่กับพุโทโธอยู่กับอะไรนะลองดูถ้าไม่ชํนานาญทีแรกช่วงแรกๆจะตึงไปนิดนึงแตก็อย่าตกใจค่อยๆคลายออกพุทโธไปสบายๆ สมาธิไม่พอก็คือเวลานั่งสมาธิหนูก็จะฟุงฟืองเก่งอะค่ะเออนั่นแหละสมาธิไม่มีนะอ่ากทูงไปถ้าถ้าช่วงที่นั่งสมาธิหนูจะนั่งพิจารณาทําไปเลยได้ไหมคะถ้าเกิดมันฟุงเก่งพิจารณาอะไรนะเป็นแบบข้อธรรมหรือว่าได้ได้คือจิตมันฟุ้งซ่านนะหางานให้มันทํามันอยากคิดพามันคิดเลยแต่คิดในเรื่องของธรรมะคิดถึงความตายคิดถึงธรรมะ คิดถึงทานถึงศีลคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อะไรเรื่องพวกนี้แหละ <Okay. S 2> คิดเรื่องถึงร่างกายผมคนเล็บฟันห น, นังเนือเองกะดูกอะไรเงี้ย <Okay. S 2> คิดในเรื่องพวกนี้นั้นจะสงบ <Okay. S 2> เจค่ะอ้าวร้อยห้าสิบดภาวนาหน้าดีที่สุดเลยกราบนมรส ก, การพระอาจารย์ค่ะปัจจุบันรู้สึกว่า ชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะนะคะแล้วก็แต่ว่ามันจะมีความสุขกับการรู้จักตัวเองแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทางที่ทำอยู่มันใช่หรือไม่ใช่แต่ก็คำว่าใช่หมายความว่าตั้งใจว่ามาทางนี้แน่ๆแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทาอยู่มีอะไรที่ผิดหรือเปล่าแต่รู้อย่างเดียวว่ารู้จักตัวเองมากขึ้นเยอะแล้วก็ไม่มีอะไรที่มาทำให้เรารู้สึกต้องทุกข์นานๆแต่ไม่แน่ใจว่ามันใช่อยู่หรือเปล่าทำไปสิทาไปเรื่อยๆทมามนได้ดีแล้ว ฝึกไปดีไม่ต้องแก้อะไรไม่ไม่ไม่ได้เพ่งเกินไปไม่ปล่อยเกินไปใช่ไหมฮะไม่เพง่งหรอกนะแต่มันฟุ้งไปนิดนึงะนะเราทำความสงบเป็นครั้งก็เรียนคราวน ะ, ะทุกวันแบ่งเวลาทำความสงบบ้างจะได้แกรงขอบพระคุณค่ะ98นักดูจิตนะมีจุดอ่อนอยู่บางทีดูจิตแล้วไม่ยอมทำความสงบเลยฟุ้งไปไม่ดีการนมรดกของพ่อครับ ตอนนี้จริงผมเขาส่วนตัวผมปฏิบัติในรูปแบบอยู่แล้วนะครับพอดีพี่ที่ทํางานมาจากภูเก็ตอยวนี้จะกลับมาทํามาครั้งแรกขอโอกาสให้พี่เขาว่าครับเอาสีเอาครับผมก็พยายามนั่งสมาธิมาสิบปีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยก้าวหน้าเลยนะครับือทําไมเอาอะไรมาวัดว่าไม่ก้าวหน้าอือก็ยังมีเนื่องจากไม่มีครูบาอาจารย์นะครับนั่งเองอ่านเองนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าฟุ้งฟาดเนี่ย น, นะครับตรงนี้ ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นยังไงดีครับบางคนนะเริ่มจากสมาธิบางคนต้องเริ่มด้วยปัญญาพวกปัญญชนคนคิดมากคนที่ทำงานที่ต้องคิดเยอะๆอะไรเงี้ยบางทีเริ่มจากความสงบยากของคุณรู้ทันความปรุงแต่งในใจไปเรื่อยๆเลยนะแล้วเวลาที่จะทำความสงบเนี่ยก็นั่งดูไปหายใจไปแล้วนั่งดูจิตตัวเองไปอย่าไปหวังว่ามันจะสงบนั่งดูให้รู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ไหลไปไหลมา รู้เฉยๆรู้เล่นๆ น, นะทันทีที่เรารู้ว่ามันไหลไปนะ้ําจิตจะตั้งขึ้น ม, มันจะสงบขึ้นมานะจิตแอบไปคิดบ้างไหมครับดูออกไหมเวลาจิตหนีไปคิดดูดูออกครับนะดูออกก็ใช้ได้ของคุณเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมเออนี่ยังไม่ชัดเจนนะครับรู้สึกไหมว่ามันเบาขึ้นครับรู้สึกไหมจิตใจมันโปร่งโล่งมากขึ้น มันสว่างขึ้นรู้สึกไหมเบาเบาขึ้นนะครับเออนะนั่นแหละพัฒนาการระดับหนึ่งแล้วละ่นะแล้วก็ความรู้สึกตัวมันก็มีนะมีไหมมีครับมีนะนั่นแหละพัฒนาการอนะรู้สึกตัวได้นะ่ะดีที่สุดเลยถ้ารู้สึกตัวไม่ได้ก็หลงไปคิดเรื่องนอนเรื่องนี้ลืมตัวเองไม่พัฒนาหรอกเนะพราะงั้นต่อไปนี้นะรู้สึกตัวบ่อย พอรู้สึกตัวแล้วก็คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆต่อไปทําสมาธิก็ไม่ยากอะไรหรอกเคล็ดลับของการทําสมาธินะคุณต้องเลือกอารมณ์ที่สบายจิตที่มันฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิวิ่งไปหาอารมณ์โน้นทีอารมณ์นี้ทีเพราะจิตมันไม่ยิม่มเราหาอารมณ์ที่อร่อยๆอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อนะจิตจะไม่หนีไปที่อื่นอย่างหลวงพ่อนะถนัดลมหายใจตั้งแต่เด็กฝึกรู้ลมหายใจอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุข จิตอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขจิตก็ไม่ฟุ้งไปที่อื่นเราะั้นเคล็ดลับของการทําสมาธิเนี่ยอยู่ที่ว่าเรารู้จักเรื่องอารมณ์ที่มีความสุขนะองคุณลองไปดูเอานะอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขไม่ใช่อยู่กับแฟนแล้วมีความสุขนะอย่างนั้นไม่ได้นะต้องอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไม่ใช่ว่าไม่ดีเนี่ยมีครูบาอาจารย์นะองค์หนึ่งไปหาท่านท่านก็เล่า เนี่ยท่านไปภูเก็ตนะบอกคนที่ภูเก็ตที่มาฟังท่านเทศแล้วบอกว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ประโมทบอกเนี่ยอาจารย์มีลูกศิษย์อยู่ที่ภูเก็ตเยอะเลยรู้ไหมบอกไม่ทราบหรอกครับ <c oughs> ลูกศิษย์ฟังซีดีนะฟังซีดีอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็ภาวนากันครูบาอาจารย์ชอบนะครูบาอาจารย์ท่านชมนะว่าเพวกภูเก็ตเนี่ยภาวนากันดีเยอะเลย นำ้ำมสการหลวงพ่อค่ะคือหนูปฏิบัติมาประมาณปีหนึ่งแล้วอะค่ะแต่ว่าก็ยังเรื่อยๆอะค่ะยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าพอดีปีหน้าจะต้องไปอยู่อเมริกาประมาณสองปีอะค่ะก็ะเลยกังวลว่าห่างไกลครูบาอาจารย์แล้วไม่มีที่ชัดแบดเหมือนเวลามาวัดอะค่ะเอาฟังซีดีเอาซิ <laughs> ไปดาวโหลดเอานะ ปกติก็ฟังซีดีกับเข้าไปเว็บวิมุตต์ประจำแต่ว่ามันก็ไม่ไม่รู้สึกว่าจะมีพลังในการปฏิบัติเหมือนเวลามาวัดอะค่ะยังมาวันนี้มันก็ดู้ตัวบ่อยขึ้นมากกับบรรยากาศนะมันก็ต่างกันบ้างอีกส่วนหนึ่งก็คือการยานอมิตรอย่างที่เนี่ยเราเห็นคนภาวนาเยอะใช่ไหมดูแล้วมันก็คึกคักนอยู่ที่น่ก็ชวนคนภาวนาเขาสิเริ่มต้นด้วยการแจกซีดีหลวงพ่อก่อน พอเขาฟังฟังพอเขาเริ่มเป็นนะครันนี้ก็มาคุยธรรมะกันบ้างมีปัญหาก็ไปถามในเว็บวิมุติ์ก็คือเขามีห้องตอบคำถามอยู่ใช่ไหมนั่นไปถามอาจารย์สุรวัตรอะไรพวกนั้นมีหลายคนอ่ะคือมันต้องมีเพื่อนหน่อยคนที่ยังเดินยังไม่เข้มแข็งนะเดินในทางที่ไม่เคยเดินมีเพื่อนเดินแล้วมันอุ่นใจเมื่อเจ็ดสิบสอง ครั้งหลังสุดที่มาส่งการบ้านหลวงพ่อบอกว่าจิตไม่ไม่ตั้งมัน่นก็ไปดูจิตมันไหลพอจิตมันตั้งมั่นมันก็เห็นผู้รู้แยกก็ดูกลายแล้วมันก็ไหลอีกครัไหลทั้งวันเลยไห ล, แ ล, ไหลแล้วก็รู้ไหลแล้วก็รู้อืมข้อแนวทางปฏิบัติ ต, ต่อไปก็ไหลแล้วรู้ก็ดีแล้วนะอย่าประคองไม่ให้มันไหลก็แล้วกันครับเดี๋ยวจะกลายเป็นเพ่งใช่ไหมครับจะไปเพ่งร้อยเก้าสิบห้า นรับนมัสการครับมาส่งกันบ้านในรอบห้าเดือนครับคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตไม่ไม่ค่อยสงบครับให้ไปทำความสงบเพิ่มก็ในภาพรวมคิดว่าดีขึ้นครับดีขึ้นดิทีนี้มีเรื่องที่จะรายงานหลวงพ่อสองสองเรื่องครับอันแรกคือมีวันหนึ่งครับก่อนที่จะนอนเปิดซีดีหลวงพ่อไว้ครับแล้วก็ว ก, วก็หลับไปแล้วก็เหมือนตอนตอนดึกนะ่ะจิต ร่างกายมันกลับอยู่แต่จิตมันตื่นมาฟังซีดีคอืบแล้วก็จิตมันรวมแล้วก็มันรู้สึกสงบแล้วมีบางอย่างเกิดดับเร็วมากจนจนไม่รู้ว่าคืออะไรครับมันเหมือนเดินผ่านอะไรเร็วๆครับอะไรนะพูดพูดยเหมือนกับเดินผ่านอะไรเร็วๆไม่รู้ว่าอะไรผ่านไปครับเอเราสักพักมันรู้สึกมีความสุขมากครับมีความสุขที่สุด ไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อนมันร่มเย็นมันมันเหมือนปลอดภัยแล้วครับอแล้วผมอยู่ความสุขตัวนั้นจนจนมีสติรู้มาว่าว่าฝันไปครับอะไรนะมีมีสติรู้ว่าฝันไปครับออแต่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันโล่งไปหมดเลยครับอแต่ผมแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ครับแรกๆเนี่ยมันมันไม่ไม่ยอมรับว่าว่าจริงหรือเปล่าครับมันมันเห็นแบบ ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าหลับหรือตื่นไม่สำคัญหรอกนะร่างกายหลับแต่จิตมันตื่นนะมันทำได้นะไปฝึกต่อไปดีแล้วแ ต, แต่ตอนอีกตอนพอพอเห็นเรื่อยๆมันเห็นตัวตนชัดขึ้นมาจนจับได้ขะหนังขะเขาไปหลายครั้งนั่ น, น, นแหละภาวนาดีขึ้นเยอะเลยครับนะอีกอีกประเด็นหนึ่งคือผมมันมีเหมือนมีหัวข้อวิจัยอยู่อยู่ตลอดครับทงช่วงแรกมันจะรู้สึก มันมันทดลองเกี่ยวกับเรื่องของการการมองเห็นนะครับอืมันเหมือนการมองเห็นเนี่ยมันมันอาศัยสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องอืเพื่อเพื่อที่จะตีความใช่ให้ให้ออกเ ห, เหมือนเราเหมือนตอนแรกเหมือนเราเห็นต้นมะม่วงเราก็รู้ว่าอย่างนี้เป็นต้นมะม่วงอืเหมือนการอาันหนังสือก็เหมือนกันนะครับอเราไม่ได้สะกดกันทีละตัวแต่เรามองภาพแล้วก็มามาดูภาพในในนั่ น, นาอาศัยสัญญานะ ูกต้องทีนี้มันสงสัยว่าการการได้ยินมันมันต่างกับการมองเห็นยัง ไ, ไงเพราะว่าแต่การการได้ยินมันคือการการมองเห็นมันคือเห็นภาพแล้วก็มาตีความแต่การได้ยินเสียงมันมีต่อเนื่องมันจิตมันเกิดดับยังไงครับคือจริงๆนะมันได้ยินเสียงนะขณะที่ได้ยินเสียงเนี่ยไม่รู้เรื่องจิตที่ได้ยินเนี่ยเป็นดวงหนึ่งนะเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็มันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจ นึกออกไหมมันมีการส่งสัญญาณมาที่ตามองเห็นมันก็ส่งสัญญาณมาที่ใจจิตตัวส่งสัญญาณก็อีกดวงหนึ่งนะพอส่งมาที่ใจแล้วก็สัญญาเข้าไปแปลตีความตอนตีความนี่ก็เป็นจิตอีกดวงหนึ่งนะเสร็จแล้วมันตัดสินเลยว่าไอ้นี่ดีนี่ไม่ดีนี่ถูกกับนี่ผิดอะไรเงี้ยตัวตัดสินอีกตัวหนึ่งนะเสร็จแล้วก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นทางใจเกิดการเสพอารมณ์ทางใจบ้างเกิดกุศลมีอารมณ์แล้วรู้ทันจิตแยกออกมาบ้าง นี่เป็นกระบวนการของมันเป็นจิตคนละดวงท่นะ้นเลยจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยที่ทําอยู่มีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงบ้างไหมครับทำไปไเรื่อยๆนะทาไปสม่ําเสมออย่าหวังผลนะถ้าหวังผลแล้วมันไม่ได้ผลทําไปเถอะทาได้ดีแล้วล่ะครับ <c oughs> รู้จักความสุขของการภาวนาแล้วเนาะเอาเหลืเวลานิดหน่อยกลุ่มที่ติดนี้สัยอยู่แถวเนี้เมื่อกี้เนี่ย 24กสบกับนมัสการหลวงพ่อคะ่ะจะมาส่งการบ้านหลวงพ่อคะ่ะคือปีที่แล้วหลวงพ่อให้การบ้านว่าเป็นคนช่างคิดให้ไปดูจิตนะคะแล้วก็ให้สลับกับดูกายทีนี้ก็จะรายงานผลให้หลวงพ่อทราบะคะ่ะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะรู้ตัวมากขึ้น แล้วก็คืออดีตเนี่ยจะเป็นคนที่ทะเลาะกับ น, น้องบ่อยอ่ะคะ่ะในรอบปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยทะเลาะกับ น, น้องเลยคือก็มีความโกรธเกิดขึ้นแต่ว่าความโกรธมันเหมือนเป็นผิวๆอยู่ในจิตอะคะ่ะ ก, ก็จะอะไรค่ะหลวงพ่อก็เลยอยากจะสอบถามหลวงพ่อเพิ่มเติมอขอความเมตตาหลวงพ่อว่าที่ปฏิบัติมานี่ถูกทาอไไปทําต่อสินะนะทําได้ทําถูกแล้วไปดูบ่อยๆเห็นไหมทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวไปดูมุมนี้บ่อยๆนะ เมื่อ8ปเมื่อนี่ก็หน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยกลาบนมศ ก, การหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านในรอบหนึ่งเดือนค่ะหลวงพ่อบอกว่าให้หนูต้องนั่งสมาธิคือหมายถึงว่าปฏิบัติในรูปแบบสำหรับการสวดมนต์เดินจงกรมนี่ไม่มีปัญหาแต่เมื่อนั่งสมาธิเมื่อไหร่ก็จะไปเพ่งโดยอัตโนมัติหนูก็พยายามพองยุคช่วยแล้วก็พุทโธ แต่มันเห็นว่าเวลาหายใจนี้มันมีแต่ทุกข์อะค่ะเนอาจะถูกแล้วออล่วนะทีนี้ทีนี้มันก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันทุกข์มากหนูก็เลยลองมาดูท่านในกายอะคะ่ะพิจารณาท่านในกายแล้วเห็นว่ามันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเออได้องนี้ใช้อันนี้เป็นหลักใช่ไใช่ได้ใช่ได้ใช้ท่าสี่ได้ค่ะแล้วทีนี้เออบางทีหนูก็ใช้ของหลวงพ่อเทียนคืออะไรที่เป็นประโยชน์หนูเอามาใช้หมดไม่จับฉายใช่ไหมคะ ไม่แน่หนูกไ็ไม่แน่ใจตรงเนี้ยค่ะเลยขอหลวงพ่อว่าดูเลยอย่าให้มันฟุ้งซ่านเดีย๋ยวกันค่ะถ้าจับตอนต้นตีนี้ที่จับจดนะใช้ไม่ได้แต่ถ้าใช้กระตุ้นความรู้สึกเป็นครั้งเป็นคราวอะใช้ได้ของหลวงพ่อเทียนขยับมืออย่างที่หลวงพ่อทําเลยคือหนูจะทําตอนก่อนนอ น, นะคะ่ะได้ตอนก่อนนอนเป็นง่วงแล้วขยับไว้ค่ะแต่ไปดูธาตุสีนะเหมาะแนละ้แล้วก็หนูมีสามเรื่องนะคะหลวงพ่อเรื่องที่สองคือว่า ปกติเวลาช่วงไหนภาวนาดีแล้วก็โอเคแล้วก็หลังจากมันก็จะมีโทสะแรงหนูก็จะสงสัยว่าทําไมโทสะแล้วมันถึงยังรุนแรงมากขนาดนี้แต่ก่เราเก็บกดงค่ะแล้วทีนี้ว่าช่วงนี้มาเห็นว่าเวลาไปคิดแล้วมันมีความเป็นตัวตนไหมคะดีค่ะแล้วก็พอเป็นตัวตนแล้วเขาก็มีความปรุงแต่งชอบชังแล้วก็จิตเกิดการยึดอารมณ์อยึดอารมณ์เสร็จแล้วเขาก็ไปกด แล้วก็ไปกดลมหายใจด้วยแล้วก็จะอย่างนี้หาวนทาให้โทรศัพมันก็เลยเหมือนไม่ดับไปมันก็วนเป็นวงจรอบาตรนี้ถูกต้องอย่าไปเกลียดโทรศัพท์ะรู้ไปแล้วก็ค่ะเรื่องที่3คือจะกราบขอบความเมตตาหลวงพ่อเรื่องคุณแม่หนูอะค่ะท่านไปถอนฟัน3มซี่พร้อมกันเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เจ็บเหนื่อยมาตลอดหมอบอกว่า เ, เส้นประสาทคู่ที่หอักเสบ ทีนี้ถ้ามีเวทนามากเลยอะค่ะหนูก็พยายามให้อารมณ์คุณแม่คุณแม่ทําเดินลมหายใจได้สวดมนต์ได้จะมีอุบายหรือทําให้คุณแม่ทุกน้อยลงหน่อยไหมคะมแม่มาไหมลนะ่ะแม่ไม่ได้มาค่ะมาไม่ไหวเหรอค่ะอเล่นยากนะก็มันเจ็บอะเวลาหลวงพ่อเจ็บนะหลวงพ่อใช้วิชาลมปรานนะ เราหายใจนะแล้วก็ผ่านจุดที่เจ็บอ่ะให้ลมผ่านจุดที่เจ็บนะมันพูดยากนะให้ความเจ็บนั้นสลายไปกับลมได้ไหมคะได้ให้กําหนดจิตอย่างนั้นอืมแม่หนูจะทําได้ไหมคะลองเทไปทําดูหนูพ่อไม่เห็นหน้าแม่นะแต่ว่าแม่เวลาท้องอืดหรือเวียนหัวเนี่ยไปหายใจผ่านผ่านจุดที่เจ็บอ่ะค่ะแล้วก็หายใจออกไปแรง เวลาเวียนหัวหรือท้องอืดแม่เดินลมแล้วไล่ลมออกไปได้เออทั้งนั้นคงทําได้อยู่สาธุขอพ่ะคุณมากค่ะหลวงพ่อร้อยหิบท้าเวลาปฏิบัติทำนะคะมีความรู้สึกว่าเราเจับความโกรธได้นะคะแต่พอจับความโกรธได้เนี่ยมีความรู้สึกว่า ย, ยกใหมย่ยกอย่างนี้เลยคุณคพะพอจับความโกรธหรือความหลงหรืออะไรได้นะคะมีความรู้สึกว่าที่มันเป็นเนี่ยพบ ต, ตัวตนอ๋อใช่แบบ ตัวตนแบบทํำไมตัวตนมันมันไม่ไปเลยทุกอย่างมันคือมันตัวตนหมดถูกต้องเลยคพอเสร็จแล้วเนี่ยคือมันก็อยู่ในนั้นมันก็คือมันอยู่ในนั้นอยู่ในตัวตนตลอดเวลานะฮะหลังจากนั้นพอตัวพอคิดว่าตัวตนได้เนี่ยมันก็มันก็ไปเองแต่ทีนี้บางทีก็เข้าใจนะคะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอืแต่ว่า มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่แต่แต่ก็ยังมีตัวตนใน่ตัวตนเพราะยังยังไม่หายไปเพราะเรายังหลงอยู่ในโลกของความคิดครับใดที่ยังหลงอยู่ในโลกของความคิดนั้นก็ยังปรุงตัวปรุงตนขึ้นมาได้อีกนะถ้าเราคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดหารู้ตัวนี้บ่อยๆน ะ, ะตัวตนไม่มีหรอกตัวตนจริงๆไม่มีเกิดจากการคิดเอ า, าแต่พี่ยังมีควารู้สึกมันรักตัวตนมากมากๆใช่มันรักตัวมาก นะรู้ทันมันไปเรื่อยๆ เ, เอาเบอร์แปดวันส ก, การแค่ะหลวงพ่อพอดียังไม่เคยฝึกปฏิบัติเลยอะค่ะแต่ว่าเคยมีความเครียดมากแล้วก็ได้กลยานามิตรคุณเอ็มอรแล้วก็เพื่อนที่ทำงานแนะนำให้ก็เลยได้ฟังซีดีหลวงพ่ออัานนี้พอมาปฏิบัติที่นี่ก็บอกว่าให้ดูตามตามจิตตอานนี้เวลาดูก็รู้สึกว่า ต้องมาจ้องที่ใจตัวเองเ่ยก็เลยเกิดข้ออย่าจงสิอย่างนั้นเครียดตายอย่าไปจ้องมันจ้องมากๆเครียดนะรู้จักโกรธไหมรู้จักค่ะรู้จักกลัวไหมรู้จักค่ะรู้จักเกลียดไหมรู้จักเออความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นก็ค่อยรู้เอาอย่าไปจ้องรอดูนะถ้าไปจ้องรอดูนั่นเหนื่อยค่ะว่ารู้สึกทั้งแตมานก็เหมือนแบบงงง ซึมซึมง่วงงอย่างนี้ค่ะตลอดรู้ว่างงซึมรู้ว่าซึมง่วงรูวง่วงแค่นั้นพอละของคุณงงอยากได้คำตอบซึมอยากหายง่วงอยากตื่นให้รู้ทันใจที่อยากไวเพราะฉนั้นให้เรารู้คุณรู้ได้อยู่แล้วสภาวะเห็นไหมบอกมาถูกหมดอะซึมง่วงมึอนหอรืองงอะไรเงี้ยก็แค่รู้ว่าตอนนี้มีสภาวะอะไรอยู่ แล้วใจไม่ชอบรู้ว่าใจไม่ชอบอยู่ตัวนี้น ะ, ะขอบคุณหันดูความรู้สึกไม่ชอบให้มากนะ<ม>เพราะตัวนี้แหละที่ทำให้คุณไม่มีความสุขค่ะเพราะว่าอีกนิดหนึ่งนะคะที่ไม่ไม่มีความสุขและไม่ชอบเพราะาแม่กับพี่สาวทะเลาะ ก, กันตลอกอะไรค่ะห้ามไม่ได้แม่เป็นอนัตตาพี่สาวก็เป็นอนัตตานะส่วนหูของเราก็เป็นอนัตตามันจะได้ยินะ่ะ เขาได้ยินสิได้ยินแล้วใจไม่อยากอยากให้เขาดีกันรู้ที่ใจเรานี้เราแก้ที่เขาไม่ได้เราแก้ที่ใจเราเพราะงั้นต่อไปนะเขาทะเลาะกันเราจะนั่งดูเหมือนดูละครนะเหมือนดูหนังละครนางอิจฉาทะเลาะกันเลยเราดูสบายๆนะค่ะบพระคุณพเบอร์ร1อหนึ่งหนึ่งหนึ่ง กราบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะเพิ่งฝึกดูจิตมาได้สองสามเดือนนะคะทีนี้ก็คือว่าเวลาเราฝึกพ อ, พอเราไปดูสักพักเนี่ยมันได้ได้ยินเสียงเหมืนลวงพ่อมาพาก่ะค่ะว่านี่เห็นไหมจิตมันฟุง้งจิตมันผ่อนคลายแล้วนะทีนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นความคิดหรือว่าจิตมันพูดออกมาหรือมันเป็นอะไรอะคะ่ะน่าเป็นอะไรก็ได้นะแต่มันพูดถูกไหมพูดูกค่ะพูดถูกก็ไม่เป็นไรนาะ ไม่ใช่กำลังโกรธอยู่นะมันพูดมาเนี่ยกําลังอารมณ์ดีอย่างนี้เพียเ้ยนอะมันจะพูดด้วยเสียงใครก็ช่างมันเถอะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าจุดสําคัญนะอยู่ที่เรารู้ทันความรู้สึกที่กําลังปรากฏอยู่นะรู้แล้วมันจะภาคไม่ภาคอะไรเรื่องของมันนะไม่สําคัญหรอกสําคัญที่รู้ทันความรู้สึกของตัวเองนะอะอีกเรื่องหนึ่งอะไรอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าเราไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติในรูปแบบอะคะ่ะอืม ก็จะขอแนวทางลงตื่นนอนอมาก็รู้สึกตัวเลยจะอาบน้ําจะกินข้าวจะนั่งรถจะทําอะไรคอยรู้สึกของเราไปได้รู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆนะไม่มีเวลาทําในรูปแบบเพราะต้องเก็บเล็กผสมน้อยอย่างนี้แต่ถึงจุดหนึ่งก็ต้องแบ่งเวลานะทั้งจริงๆที่ว่าไม่มีเวลานียเพราะจัดสรรบริหารเวลาไม่ดีพอทุกคนมีเวลาทั้งนั้นแหละขออนุญาตอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือว่า กังคืนเนี่ยถว่าถ้าเรามีงานเยอะๆและเราเครียดเนี่ยมันจะทำให้เรานอนหลับไม่สนิทนะคะใช่นะดูใจที่เครียดไปนะดูใจแล้วก็สอนมันไปเรื่อยๆตอนนี้หมดเวลาทำงานแล้วรีบรีบนอนซะขอบามคุณค่ะไม่นอนเดี๋ยวก็ไม่มีแรงทำงานสิเก้าสิบหกนมัสการหลวงพ่อครับไม่ทราบว่า ตอนนี้เริ่มเป็นตัวจริงที่จะคุยกับหลวงพ่อบ้างปะค่ะผมเป็นอะไรนะเป็นเป็นตัวตัวจริงจริงจริงสิตัวเป็นเป็นเลยเนี่ยโ อ, อครับไม่ทราบผมพอจะตื่นขึ้นบ้างเป่าครับตื่นสิไม่ตื่นจะเป็นตัวเป็นๆอย่างนี้เหรอจริตของผมพอจะถึงฐานบ้างไหมครับถึงสินะครับมีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมครับหลวงพอ่ออ้าวตอบไปแล้วนะขอบพระคุณมากครับฝึกไปบ่อๆนะขอบคุณเปลี่ยนไปเยอะแล้วรู้สึกไหมรู้สึกจิตมันตั้งมั่นนะ ตั้งมันดีต่อไปนี้นะเรียนรู้ความจริงของชีวิตไปได้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตของเราก็คือกายกับใจนะเรียนรู้มันไปเรื่อยเรียนรู้ด้วยจิทตที่สบายๆรู้ตื่นเบิกบานอย่างนี้แหละนะ ค, ครับฝึกกันนานนะกว่าจิตจะมาเป็นแบบนี้ขอบคุณครับร้อยปดนู่นอยู่หลังห้องเลยนะหลังห้องกราบน้มัสการหลวงพ่อครับ เห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเห็นครับอ๋อดีแล้วไงล่ะมีปัญหาอะไรคือปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อมาได้พักใหญ่แล้วก็จะเรียนสอบถามหลวงพ่อครับว่าสิ่งที่ผมเห็นนี่เป็นมายาจิตหรือเปล่าคือสภาวะมันเกิดจากยกยกไม่สูงสูงนิดนึงคือสภาวะเกิดจากที่ผมอ่นั่งอยู่ที่ทํางานนะครับ แล้วผมเห็นสภาวะหนึ่งก็คือผมหลับตาเนี่ยผมเห็นก็คือมันมันเหมือนกับว่าเราอยู่ในในสภาของความว่างแล้วเราเห็นความคิดนะครับมันโผล่ขึ้นมาเป็นเสียงเด็กร้องนั่นคือลูกสาวผมเองเอพอเขาร้องขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมีตัวผู้รู้ก็คือตัวผู้รู้เนี่ยก็สอบขึ้นมามามาต้องเลยบอกว่าเนี่ยแล้วแต่ว่าจิตเราอ่ะไม่ไม่มันไม่เป็นควบกับว่า นี่คือลูกสาวเราแต่เรารู้สัญญาว่านี่คือเสียงของของเด็กร้องแล้วเขาก็ไปกระบวนการว่าคือสิ่งที่ร้องเนี่ยมันมีความนั่นคือหิวนมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เราจะรู้เด็่จิตเราไม่ยึดตรงกันเลยคือมันเป็นในการคือว่าไม่ยินดีด้วยแต่ก็ไม่มีความสุขกับสิ่งที่ได้ยินอืแต่มีผู้รู้สอนขึ้นมาบอกว่าเนี่ยมันมันมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ใช่เรานะและจากนั้นเพื่อดับดับลงไปเลยครับ uh huh. และหนึ่งตัวก็โเผอขึ้นมาใหม่คือขึ้นเกิดขึ้นอย่างนี้ครับ พอเขารู้ว่าเราจับเขาได้ว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่ถูกเป็นเหมือนมายาจิตเขาดับแวบลงไปเลยถูกแล้วแล้วก็เป็นตัวใหม่ขึ้นมาก็เป็นเสียงลองเดิมแต่สภาวัจิตหนึ่งที่เขาเราสัมผัสอน่ยมันไม่ใช่ความรู้สึกเดิมละมันเป็นอีกอารมณ์หนึ่งออแล้วเขาก็กระบวนการที่เกิดขึ้นมันอีกมันก็ดับไปอืแล้วผมก็เห็นอาการนี้แล้วทํามันสักสองสามตเต็มเขาก็หายไปผมก็ดูเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่เราจําได้สภาพวันนี้ แล้วก็มาคิดดูมันอะไรมันเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้หลังจากนั้นประมาถ้ามันมีเกิดขึ้นอีกหลายอย่างครับแต่ว่าหลักๆก็ใหญ่ก็คืออย่างผมอยู่ที่บ้านกับแฟนเงี้ยผมนอนไปจังหวะที่ผมมือไปขอญาตคือไ ป, ไปกอดแฟนเนี่ยครับผมเห็นว่าทำไมแฟนผมเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่จีบผมกับไม่มันมันจําได้ว่าคืนนี้คือแฟน ม, ม, มีเส้นผมมีตัวแต่มันกลับว่างไปเลยออื กับว่างไปเลยว่าทำไมไม่ไม่เกิดขึ้นกับเราว่าเราว่างยังไงครับแต่กลับเป็นแฟนแฟนเนี่ยคือเป็นเป็นความว่างแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้ใ่สัญญาคือความจํำบ้านนี่คือแต่เราอแต่ว่าเรากลับไปเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ว่างๆไปเลยครับใช่จริงๆมันว่างอะครับจริงมันไม่ใช่คนเนาะใช่ครับมันมันจะเรียกอะไรไม่รู้ผมผมผมไม่รู้พูดจะเรียกอะไรเหมือนกันแล้วครั้นี้ครั้นี้ผมกลับมามองมาดูมือผมเนี่ยบางครั้งผมดูมือผมเนี่ย จิตมันไม่เปอย่างไปถึงมือครับ ม, มันกลับเป็นสิ่งที่ที่ที่ไม่รู้จะเรียกอะไรออแต่เรารู้ว่ามือใช่แต่เราเห็นเป็นเป็นสิ่งที่มันไม่ยึดถึงกันนะครับตรงตรงที่เรารู้ตัวจริงของมันนะนะนั่นแหละเราเห็นตัวปรมัต ธ, ธรรมตัวสภาวะธรรมตรงที่สัญญามันแปลว่านี่คือมือเนี่ยสมมติปัญญัตย์ใช่ไหมงั้นอย่างเราไปกอดแฟนเราเนี่ยกอดตัวอะไรก็ไม่รู้ แต่เรารู้สึกถึงความมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งใช่ไหมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อันนั้นเรารู้ตัวอารมณ์ปรรมัติน่ะนั่นคือสภาวะปรรมัติเป็นอารมณ์ปรรมัติเป็นของจริงส่วนที่ว่าแฟนเราเนี่ยเป็นสัญญาครับใช่ครับเนี่ยเปนคนละส่วนกันในโลกนี้นะของจริงเนี่ยไม่มีตัวมีตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอาศัยสัญญาเข้าไปหมายผิดผิดมันก็เกิดมีตัวมีตนมีสัตว์มีเรามีเขาขึ้นมา ที่เราภาวนาแทบเป็นแทบตายนะเพื่อเข้าไปเห็นความจริงวันหนึ่งเราพ้นจากความหลอกลวงของสัญญาสัญญานี้แหละตัวหลอกลวงเราเราพอแลังจากวันนั้นมาผมเริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแล้วมันไวมากครับใช่แล้วมันอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองเออเราเราเห็นมือเรามน เ, นเนี่็น้าบูทานเป็นภาษาบาลีจะบอกอ๋อตัทตาอ๋อครับเป็นอย่างนี้แหละแล้วผมมองไปที่ไกลๆครับ ผมผมผมให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าผมมองไปที่ไกลๆแล้วมันว่างใช่มันว่างบอกนึกบอกไม่ถูกแต่ว่าเราว่างถึงไหนจีตเราถึงนั่นนะครับอแต่มันไม่บอกอัตาย้อนย้อนมาดูตัวเองบ่อยๆนะข้างนอกว่างไม่สําคัญหรอกให้มันว่างจากตัวเราก็แล้วกันใช่ครับแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยมันกลับมาอยู่ตัวเราเองแล้วมันก็เห็นในความรู้สึกตัวเราเองก็ถูกคล้ายๆกับว่างๆแต่มันไม่อยู่ตัวอมันเหมือนกับตัวเราเองก็ก็ว่างเหมือนกันนะครับถูกกันสิ แต่มันก็ไม่อยู่ตัวนันไม่ดูไปจนมันพอเลยยังไม่พอครับนะผมจ้องท่องทําังไงต่อไปบ้างครับดูให้พอนะดูตัวเองนะดูจนมันพอแกมพอเมื่อวางยังไม่พอก็ไม่วางตอนนี้มันเริ่มเห็นแล้วไม่ใช่คนนึกออกไหมนึกออกครับไม่มีคนะใช่ครับนั่แหละภาวนาเป็นนะถึงจะเห็นไม่มีคนไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาหัดมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ย ผมทำมาจริงๆตามก็รู้จักกับหลวงได้ไปกราบหลวงพ่อครั้งหนึ่งที่ที่การแล้วก็มากราบหลวงพ่ออีกม า, มาไม่เกินสามสี่ครั้งที่นี่ครับรอดนานๆครั้งจะได้มาดีไปไหาตานะได้รู้จักกับหลวงพ่อเขาพี่สุรชัยกับคุณดอนนะครับแค่นี้ครับอาเชิกลับบ้าน